บทที่หนึ่งรห้าสิบระพินขยับตัวคลานถอยหลังจะอ้อมออกอีกด้านหนึ่งของก้อนหินที่เขาหลบซุ่มตัวอยู่ในทันใดนั้นเสียงฝ่ายที่ยังมองไม่เห็นตัวก็บอกมาอย่างแจ่มใสว่าผู้กองครับเสียเวลาเปล่าๆที่ผู้กองจะต้องบุกก็มาหาผมไม่ลำบากเอาเป็นว่าผมออกไปหาผู้กองเองดีกว่าครับเขาไม่ได้กระพริบตาเลยในขณะนั้น ประสาทุกส่วนเตรียมพร้อมชนิดที่จะไม่ยอมให้ช้ากว่าเหตุการณ์เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวฉันคอยแกอยู่แล้วแงาา่ไซออกมาความเงียบเข้ามาครอบงำอยู่ขณะจิตชนิดที่ไม่สามารถทำนายอนาคตได้วันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของเขาพรานใหญ่บอกกับตนเองถ้าหากว่าแง่ไซเหนือกว่า ดีเหมือนกันจะได้ตัดสินให้รู้ชัดสัทีมีเสียงเคลื่อนไหวสวบซาปรากฏขึ้นเสียงนั้นส่อให้ทราบชัดว่าเจตานาจะทำให้เกิดขึ้นและให้ได้ยินมาถึงหูเขากรบพินประทับไรเฟิลพร้อมต่อมาเขาก็เห็นกิ่งไม้อันนึงค่อยๆโผล่ขึ้นมาหลังก้อนหินสูงท่วมสีสันด้านหน้าของเขานั่นเอง เป็นก้อนหินที่มีซุ้มไม้โป ร, งปรง่งๆพอจะมองเห็นอะไรได้ถนัดถ้าหากว่าจะโผล่ออกทางด้านนั้นและจะเป็นเป้ากระสุนปืนได้อย่างดีที่สุดผู้กองครับเห็นที่หมายแล้วยังผมอยู่หลังก้อนหินลูกนี้นะครับเสียงเดิมบอกมาฉันกําลังรอดูเลข้นขั้นสุดท้ายของแกแง้ไสา ผู้กองจะได้เห็นเดี๋ยวนี้แ่ะครับจบคำนั้นมีมือทั้งสองข้างโผล่ชูเต็มเยียดขึ้นมาก่อนมือทั้งสองนั้นแบะออกให้เห็นชัดว่าว่างเปล่าพลิกอยู่ไปมาจอมพรานจ้องเขมงสะกดกลั่นลมหายใจนิ่งครึ่งของอึดใจต่อมาเขาก็เห็นมือที่ทั้งสองนั้นค่อยๆสูงขึ้นทุกทีจนกระทั่ง สีสะหนึ่งพลูช่มช้าขึ้นมาแทนและในที่สุดกลายเป็นใบหน้าและร่างกายส่วนบนแค่คอของแงซทรายปรากฏเด่นชัดอยู่เนื้อหินลูกนั้นห่างจากศูนย์ไรเฟิลในมือเขาที่จ้องระวังพร้อมเพียงไม่เกินเจ็ปดว่าใบหน้านั้นยิ้มเพลมือทั้งสองที่ยกชูขึ้นนั้นค่อยๆวางราบคล่อมลงไปบนก้อนหิน ชนิดที่รับพินมองเห็นชัดในการเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถแล้วขยิบตาให้นิดนึงกึ่งยาวหรือจะดูเป็นหยันรับพินก็บอกไม่ถูกในขณะนั้นอย่างไรก็ตามประสาทของนักสู้เจนเชิงอย่างเขาก็ยังแข็งแกร่งมั่นคงพอที่จะไม่ลั่นไกลออกไปก่อนเวลาอันควรเมื่อมองเห็นชัดอยู่แล้วว่าสถานการณ์ของตนเองเป็นต่อ กระพินจ้องเหมือนกับว่าจะให้สายตาของเขาแหละทะลุลงไปถึงโครงกระดูกของร่างที่โผล่ครึ่งตัวออกมาให้เห็นนั้นแล้วค่อยๆ ย, ยันกายขึ้นอย่างระมัดระวังโดยไม่ยอมเสียจังหวะที่จะยิงถ้าจำเป็นเวลาเดียวกันเงาสายก็ขยับตัวด้วยการเคลื่อนไหวปกติขึ้นมานั่งกอดเขายัางสบายอารมณ์อยู่บนหินก้อนนั้นเขาสังเกตไม่เห็นเจ้าคนใช้พิเศษของคณะ ผู้มีพฤติการอันลึกลับที่สุดมีอาวุธอื่นใดติดตัวอยู่อีกทั้งสิ้นนอกจากมีดในประจำตัวของมันตามปกติจอมพรานปื้ไปหมดทั้งสมองไหนใหญ่ อ, อยู่ไหนเสียงเขาเกือบจะเป็นตะวดัดแง่าสายยังไม่ตอบในทันทีนั้นแต่ยิ้มสว่างโร่เห็นฟันทั้งสองแถวแล้วก็กลายมาเป็นเสียงหัวราะกึกในลาคอ ไม่สนใจกับปลายปากกระ บ, บอกปืนของเขาที่จ้องไปยังซวงอกอย่างเอาเป็นเอาตายนั้นจนนิดเดียวกระพินเริ่มเอกใจนี่เขาหลวมตัวเสียท่าอะไรแงส า, ายเสยแล้วล่ะกระมังนี่ถ้าแกยังทําเป็นนั่งหัวเรอยอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะจิ้งแกให้ตายโขงโกนโค้งไปเดี๋ยวนี้นะ่ะให้หากินเสียเอาเขาตะหวาดไปอีกครั้งขยับปืน แงาสายสปริงตัวมาจากก้อนหินยืนระงานเอาอกรับกับปากกระบอกปืนของเขาแล้วบิดายอย่างมื่อคบบอกเรียบๆน้ำเสียงจริงจังขึ้นว่านี่ผู้กองไม่รู้สึกตัวบ้างเลยเลยครับว่าผมนะ่มีโอกาสที่จะฆ่าผู้กองได้ตั้งร้อยครั้งเมื่อผู้กองเหยียบย่างเข้ามาถึงหลุมอุกาบาดนี่นับแต่ก้าวแรกทีเดียว แต่ผมคิดว่าผู้กองเป็นศัตรูของผมแล้วมาตะ ก, กี้น่ะตอนนี่ผมก็่อยๆโผล่ขึ้นมาผู้กองเห็นทำไมผู้กองถึงไม่ยิงผมจะรู้แล้วรู้รอดแล้วนี่จะมาไม้ไหนกับฉันเงทร า, ายจอมพเนจรมองตอบเขาด้วยประกายขันขันโครลงศีษะช้าๆผู้กองครับผมน่าไม่ได้มีไม้อะไรกับผู้กองทั้งสิน้น ผู้กองฉลาดแล้วก็ระแวงผมมากเกินไปรูตัวบ้างไหมว่าผู้กองน่าเป็นโรคประสาทแล้วเมตกี้ฉันได้ยินชัดกระหูนะว่าแกสั่งให้ฉันโยนปืนทิง้งใช่ผมสั่งให้ผู้กองโยนปืนทิง้งเพราะสถานการ์มันบอกชัดอยู่แล้วว่าระหว่างเราสองคนอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดน่ะเป็นของผู้กอง ไม่ใช่ผมคิดดูดิผู้กองถือปืนย่องแกะรอยผมเข้าใจว่าผมทรยศหักหลังผมเองก็มีปืนอยู่ในมือถ้าเราโปรโปรปาก้ากันเมื่อไรผมยังไม่ทันจะอ้าปากได้ทันผู้กองก็สัดโครมก็ให้ก่อนแน่นอนผมก็เลยต้องบอกให้ผู้กองโยนปืนทิ้งก่อนอีทีนี้ผู้กองไม่ยอมปลดอาวุธผมก็เลยต้องเป็นฝ่ายปลดเจ้เอง แล้วก็โผล่ไม้ผู้กองเห็นชัดๆจะได้ไม่ต้องฝีผามยิงออกมาไงรพินแยกเขี้ยวนิ่งไปอีกนานยังไม่ยอมลดปืนในมือลงั้งงั้นแกเห็นจะต้องอธิบายมากเสียละแง่าสายก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรอธิบายมากเราผมหมายถึงในายใหญ่กับผมมาถึงที่นี่ก่อนผู้กองตั้งนานแล้ว นานที่จนเราชักไม่แน่ใจว่าฝ่ายผู้กองจะตามมาถูกทางหรือเปล่าในายใหญ่ยิงกวางได้ตัวหนึง่งย่านกินกันเสียจนอิ่มแล้วผู้กองก็ยังไม่เห็นผูมาในายใหญ่ก็เลยขอนอนพักสั่งให้ผมออกมาคอยสังเกตการถ้าแง่ายไม่ออกลูกไม้ลวงด้วยแผนการลึกซึ้งอะไรเหตุการณ์มันก็จอับตลับปัดไปอย่างสิ้นดี มันเป็นช่วงระยะเวลาที่รพินไม่อาจตัดสินใจอย่างไรได้ถูกเขาใช้ลำกล้องไรเฟิลยันอกแง้ทรายให้ถอยหลังไปสองาก้าจนได้ระยะก้มลงไปที่30สบทับ06กระบอกที่จอมพเนจรโยนมาหล่นอยู่กับพื้นอย่างระมัดระวังโดยไม่ยอมเผลอในขณะที่ก้มลงหยิบนั้นมือหนึ่งยังถือไรเฟิลของตนเอง จ้องโดยหนีพานท้ายไว้ในซอกแขนใช้เท้าเหยียบพานท้ายปืนของแงซายไว้อีกมือนึงเปิดลูกเลื่อนกระชากออกมาดูกระสุนนัดหนึ่งที่บรรจุพร้อมอยู่ในรังเพลิงของมันลิเคอร์กระบอกนั้นกระเด็นออกมาแสดงว่ามันบรรจุกระสุนพร้อมเป็นปืนที่สามารถจะใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่ากระสุนหมดหรือเกิดการขัดข้องอย่างใด เพราะฉะนั้นก็จริงอยู่เหมือนกันที่แง่ทายบอกมตัตะกี้นี่ว่ามันมีโอกาสที่จะยิงเขาได้ก่อนตั้งร้อยครั้งจอมพันเม้มปากเกือบจะเป็นเส้นตรงทำไมแกต้องหลบซ่อมซุ่มตัวเมื่อฉันและพวกเราทั้งหมดมาถึงที่นี่พฤติการมันสอให้เห็นว่าแกมีแผนอะไรบางอย่างนี่หว่าแผนอะไรครับผู้กองแง่ายย้อนถามยิ้มยิ้มฉันก็ยังทายไม่ถูก แล้วไม่กล้าเดาด้วยแต่รู้สึกว่ามันเป็นแผนที่ไม่ซื่อแล้วเดี๋ยวนี้ละครับก็ยังมั่นใจอยู่นั้นแหละสิ่งที่ยืนยันในคำพูดของเขาก็คือปากลํากล้องปืนที่ยังไม่ยอมลดห่างจากที่หมายเออคนมีเหตุผลมากๆอย่างผู้กองนี่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีเหตุผลเหมือนกันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งพูดเนิบเนบิด้วยสีหน้ายิ้มยิ้ม ย่งเจตนาจะเหน็บแนมเล่มผู้กองหาว่าผมหลบซ่อนตัวแ้าผมมีอะไรจะต้องหลบซ่อนผมพักอยู่กับ น, นายใหญ่ทางขอบหลุมอุกาบาดด้านตะวันออกห่างจากที่นี่ออกไปราวสี่ร้อยเมตรนายใหญ่กินอิ่มแล้วก็นอนหลับไปเพราะเพลียที่ไม่ได้พักมาตลอดทั้งคืนก่อนนอนก็สั่งให้ผมออกมาคอยรับพวกเราที่จะตามมาผู้กองกับลุงคาเดินตรวจหารอยผมกับ น, นายใหญ่ ฝ่ายผมก็เดินบ่ายหน้าเข้ามาหาผู้กองอีที่นี่บังเอิญผมน่ะเป็นฝ่ายเห็นผู้กองเข้าก่อนแง่ทายหยุดเว้นระยะหัวเราะอีกเบาๆอีกตอนนั้นน่ะผู้กองยืนซุบซิบหารืออยู่กับลุงคําท่าทางของผู้กองในขณะนั้นก็บอกชัดว่ารูปการมันไม่ดีนักผมก็เลยถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนโดยการย่องตามหลังผู้กองแทนที่จะโผล่พรวดพลาดออกมาเพราะนั่น มันหมายถึงการอาจถูกยิงก่อนพูดอะไรกันดูเรื่องอ่ะคราวนี้ผู้กองจะเป็นฝ่ายอธิบายให้ผมทราบบ้างได้หรือยังว่าผู้กองสงสัยอะไรผมกระพินไพร์วันยืนคอแข็งรู้สึกปวดหนึกไปหมดทั้งสมองเอาละฉัจะยังไม่พูดอะไรกับแกบอีกทั้งสิน้นก็พาฉันไปพบนายใหญ่ซะก่อนแงาสายก้มศรีรษะให้อีกเหมือนจะยั่วยัน เชิญครับคุ้มหลังผมมาให้ดีนะอย่าเผลอไปนันขดัดแล้วก็ผู้กองเห็นจะต้องลำบากช่วยถือปืนกระบอกนั้นของผมแทนให้ด้วยละกล่าวจบไอ้มหายวนคู่ปรับในทุกทางของเขาก็หมุนตัวออกเดินนำช้าๆไปตามพุ่มพงเตี้ยๆสลับไปกัะก้อนหินเหล่านั้นระพินคันหัวใจอยู่ยิบยิบจำต้องคว้าไรเฟิลของมัน ที่ทิ้งไว้ขึ้นมาสะพายบ่ายึดไว้จ้องปากกระบอกปืนสะกดหลังมาโดยไม่ประมาทแงไซเดินนำหน้าไปด้วยอาการปกติมีหนังซ้ำยังร้องเพลงอะไรของมันไปเบาๆอย่างสบายอารมณ์ภายหลังจากพูดคุยมาด้วยแล้วรพินไม่ตอบด้วยแม้แต่คำเดียวใช้วิธีเอาปลายลํากล้องปืนกระทุ้งหลังเบาๆแทนชั่วไม่นานนัก เดยขนทางอันเลี้ยวลัดซอกซอนไปในระหว่างพุ่งพงนั้นก็ทะลุออกลานโล่งกว้างและเห็นขอบปากหลุมอุกาบาดได้อย่างขนาดที่นั่นมีหินขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันอยู่สามลูกภายใต้ไม้ยืนต้นแพกิ่งใบปรกเตียเ้ยแจเหมือนร่มกลางมีกองไฟขนาดใหญ่ก่อไว้ซึ่งบัด น, นี้ปราศจากควันหรือเปเลว นอกจากทานแดงลุกโชนคร่อมกองไฟนั้นเป็นร้านย่างเนื้อปกคลุมด้วยใบไม้สดด้านบนกำลังส่งกลิ่นหอมยั่วกระเพาะในขนาดนี้เฉตดถาวราริศท่านหัวหน้าคณะนอนงายในลักษณะชันเขา่าควยห้างอยู่บนพื้นรองด้วยใบไม้ใกล้ๆ ก, ลกองไฟย่างเนื้อนั้นใช้ย่ามหลังหนุนศีรษะ ไรเฟิลประจำมือวางพิงอยู่บนก้อนหินใกล้ๆตัวลักษณะเห็นปลาเดียวก็รู้ว่ากำลังงีบไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ของอันตรายหรือความผิดปกติใดๆทั้งสิน้นระยะที่ทั้งสองโผล่มาและรับพินแลไปพบกับภาพนั้นห่างเพียงไม่เกิน25ห้าเมตรเมื่อหันมาพบตากันอีกครั้งแง่าสายขยิบตายุวยรพินขยุ่มก้านคอ แล้วลากหลบเข้าไปในซุ้มไม้ตามเดิมจะไม่เข้าไปดูนายใหญ่เสียเดี๋ยวนี้เหรอครับผู้กองเผื่อว่าเงาไซจะทำากนุบายอะไรลวงไว้อีกไงฉึงเชื่อว่านายใหญ่เป็นปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาพูดห้วนหวนพยายามจะหลบซ่อนความยินดีโล่งอกไวในสีหน้าเครียดขึงเช่นเดิมเอาละ ทีนี้ก็ถึงเรื่องที่ฉันจะต้องพูดกับแ ก, บ, ก บ, บ้างละแง้าสายทำไมแกถึงเสือกพานายใหญ่เดินล่วงหน้ามาก่อนโดยพลตการเช่นนี้ละ่ะฮะผมเลยครับเสือกแง่ท า, ายเลิกคิวทำหน้าตื่นแล้วหัวเราะนึกแล้วว่าผู้กองจะต้องเข้าใจเช่นนี้ก็แล้วแกจฉันเข้าใจยังไงโธ่ผู้กองก็ทำไมผู้กองไม่เข้าใจในแง่บีบ้างล่ะครับอ่ะเป็นต้นว่าที่ผมกับนายใหญ่ เดินล่วงหน้ามาคอยผูกองอยู่ที่หลุมอุกาบาทนี่ก่อนนะนะคำสั่งทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะมันมาจากนายใหญ่เองทั้งสิ้นผมน่ะเป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นนะครับระพินจ้องหน้าตะลึงงินไปอีกครั้งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่เขาขาดการอะไรต่ออะไรผิดพลาดไปหมดถึงเพียงนี้ร้องออกมาว่าเอ้ยยังไงกันนี่นี่แกหมายความว่านายใหญ่เป็นคนบอกแกให้เดินล่วงหน้ามาก่อนยางงั้นเหรอ แล้จอมพรานก็แทบกไห้หลังทั้งยืนไม่เจ้าคู่ปราบเขาบอกมาหน้าตาเฉยว่าผู้กองครับผมนา่าโกหกผู้กองไม่ได้หรอกในเรื่องนี้เพราะถึงยังไงผู้กองก็จะต้องตามมาพบนายใหญ่อยู่แล้วอะประเดี๋ยวก็ลองถามนายใหญ่ดูก็ได้ผมเหนจะกล้าพานายใหญ่ล่วงหน้ามาถ้าไม่ใช่คําสั่งของผู้กองหรือนายใหญ่เองบัดนี้รพินไพรวันตระหนักตนเองได้แจ่มชัดว่าเขาพลาดไปอย่างถนัดใจ การพลั้งพลาดไปในอีกลักษณะหนึ่งคือแสดงความหวาดระแวงของตนเองออกมาให้แง่ทายเห็นอย่างโจงชัดเพื่อให้มันยิ้มเยาะเล่นแต่จะยังไงก็ตามในกรณีนี้แง่ทายย่อมมีเจตนาอยู่แล้วเช่นกันในการที่จะหลอกล่อเพื่อดูเชิงของเขาพิสูจน์ชัดได้จากการที่พยายามแอบตัวซ่อนเงียบอยู่เพื่อสำรวจดูท่าทีของเขาก่อนในครั้งแรกแล้วก็โปลวกมาแสดงความบริสุทธิ์ภายหลัง เพื่อนนั้นเน้นเห็นถึงความหวั่นไหวของเขาในทํานองที่ว่าคนอย่างพรานใหญ่ระพินไพรวันตาแหกคิดมากไปเองตัวมันย่อมที่จะอ่านรูปการและความรู้สึกนึกคิดของเขาได้ล่วงหน้าแล้วจึงวางแผนซ้อนกลไว้เช่นนี้ทางยั่วทางยาวเล่นสารพัดท้งหลายทางปวงน่ะเกิดจากความเข้าใจผิดเพราะความหวาดระแวงของเขาเองทั้งสิน้นรวมทั้งอ่านพฤติการของแง่ทายผิดเป็นครั้งแรก ขณะที่จะเอาผิดกับมันเรื่องที่มันพาคุณชายเชษฐาล่วงหน้ามาก่อนก็ยังเอาไม่ได้ท่านั่นเป็นความต้องการของเชิฐาเองดังเช่นที่มันยืนยันอยู่ในขณะ น, นี้พรานใหญ่ถอนใจเฮือสสยหน้าเดียดโยนไรเฟิลกระบอกนั้นคืนไปให้ไอหาจวกเอ้ยเขาสบทอย่างปราศจากความหมายมันออกมาจากความโมโหเดือดดาลของตนเอง ความรู้สึกอันคลางแคลงใจทั้งมวลหมดสิ้นไปในทันทีนั้นท่านหัวหน้าคณะปลอดภัยเง่ยไซไม่ได้โทรยศแม้ว่ามันจะออกลูกไม้ฉวยโอกาสหลอกล่อเขาตามเขาเล่นตามสันดานเสือสมิงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเป็นสิ่งที่เขายินดีที่สุดแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกนี่ฉันนึกว่าฉันจะต้องล่าแกซะแล้วนะเอาละยอมรับว่าเป็นความเข้าใจผิดของฉันเอง แต่แกก็ไม่ไวายเล่นเหลียมกับฉันอยู่ดีแกอ้างว่าแกมีโอกาสตั้งร้อยคนที่จะฆ่าฉันซะก่อนฉันก็เชื่อเหมือนกันแต่ในโอกาสร้อยครั้งอย่างที่แกว่านั่นแกก็มีทางที่จะส่งสัญญาณหรือข่าวคร า, าวฉันรู้ว่าแกอยู่ที่นี่ได้ในทันทีที่ฉันมาถึงเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่นี่แกเสือกแอบเงียบซะแล้วก็ย่องมาตลบหลังอีกทีหนึง่งฉันภาวนาอยู่ตลอดเวลานะในการเดินทางที่เร่งรีบมานี่ว่า คอยพบแกกับนายใหญ่รออยู่ก่อนแล้วในทันทีที่มาถึงพอไม่เห็นวีแวมในครั้งแรกฉันก็ใจหายหมดแล้วนึกว่าแง่สายขโมยแผนที่เดินทางแล้วก็ยึดตัวในายใหญ่เป็นประกันเปิดหนีไปก่อนแล้วสิแง่สายแทง ใ, ใจดํามาระพินหัวเราะหึ่หึ อ, ห อ, ออกมาได้เป็นครั้งแรกเออก็ใช่สิจะมีอะไรผิดไปกว่า น, นั้น่ะจอมพเนจรจุ ป, ปากเบา ตายังสาดไปด้วยประกายขบขันยังหรอกครับผู้กองมันยังไม่ถึงเวลาที่แง่ทรายจะทรยศฮึถ้าไอคนที่ชื่อแง่ทรายจะทรยศขึ้นเมื่อใดผู้กองจะไม่มีโอกาสได้ไหวทันเลยจนนิดเดียวแล้วมันก็ต้องสายซะแล้วด้วยสําหรับการที่จะคิดแก้ไขนี่ว่าแต่ว่าหางตาอันใหญ่งามคมวาวคู่นั้นปลายมองครับป่านนี้นายหญิง นายทหารและคนอื่นๆนะ่ะม่รับความคิดของผู้กองไว้หมดแล้วเหรครับในกรณีที่คิดว่าแง่ทายทรยศจอมพรานยิ้มแค้นๆแล้วแต่คิดยังไงอ่ะก็คิดว่าถ้าผู้กองของผมฉลาดจริงแล้วก็คงไม่ได้บอกให้คณะนายจ้างคนอื่นๆได้รู้หรือตื่นไปกับความคิดระแวงของผู้กองด้วยเป็นแน่ตราบใดก็ตามที่ผู้กองยังไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ชัดเจน อย่างงี้ไม่ใช่หรือครับแกก็เฉืนฉันในแง่นี้เองน่เหรอถ้างั้นก็ผิดหวังแน่วะ่ะเพราะฉันย่องมาหมายยิงกระบาลแกนี่นะไม่มีเจ้านายหรือคนอื่นไว้ทันเลยสักคนเดียวนอกจากฉันก็มีบุญคำเพียงสองคนเท่านั้นถ้าแกทรยศจริงล่ะก็กว่าที่เขาเหล่านั้นจะรู้ก็คงพบศพของแกหรือศพของฉันเป็นคาอธิบายไม่ใช่วิธีที่ฉันจะบอกกับเขาก่อนหรอก ทำไมเนอะเสียงแงซายบ่นขึ้นลอยๆเกิดมาเป็นระพินไพรวันนี่จะยอมแพ้โง่ให้คนชื่องแงซายไม่ได้บ้างทีเดียวละต่างคนต่างจ้องหน้าและในที่สุดต่างก็ยิ้มให้แกกันในลักษณะแยกเคีว้วระพินผลัก อ, อกไอ้คนหุ่น ง, งามร่างใหญ่เซถอยหลังไปชนก้อนหินมันก็เลยนั่งพักอยู่บนนั้นพร้อมกระ บ, บนอะไรพึมพำอยู่คนเดียว ทำไมแกหัวเสียมากผลกันเหรอที่วางแผนการฉีกหน้าฉันไม่สำเร็จแต่แกก็ทำสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วยังไงละ่ะคือทำให้ฉันประสาทเสียเดินย่องแกรอยตีนแกอยู่โชคดีนะที่ฉันไม่ใจร้อนยิงระตายหงไปซะก่อนตอนที่แกโผล่มานั่นนะ่ะผู้กองผมน่มือเปล่าไม่มีอาวุธเดินเอาอกออกมารับปากกระบอกปืนของผู้ผู้กองโดยดี คนขี้ขลาดประสาทเสียเท่านั้นแหละครับที่จะยิงซะก่อนที่จะถามกันให้รู้เรื่องผมรู้ว่าผู้กองไม่ใช่คนประเภทนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพูดเอาบุญคุณเลยครับไอ้ที่ว่าผู้กองไม่ยิงผมเมื่อครู่นี้ตอนที่ผมเดินชูมือออกมานะหน่ะนาใหญ่เองผู้กองก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นตายรายดีอยู่ที่ไหนถ้าดวนยิงแส้ายซะก่อนตอนนั้นก็คงไม่ใช่พรานใหญ่ที่ชื่อรพินไพรวันแล้วละ่ะจันยังไม่เชื่อนักหรอกนะ ว่านายใหญ่สั่งให้แกเดินนําล่วงหน้ามาก่อนจนกว่าจะถามนายใหญ่ให้รู้ชัดออกไปอ่ะก็ไปถามดูซะ ส, สิผู้กองเงสา ย, ยพยักหน้าท่าเดี๋ยวก่อนก็ได้วะ่ะนายใหญ่กําลังหลับก็ใหหลับสบายไปก่อนฉันยังมีเรื่องที่จะพูดกับแกมากเราพูดกันแค่ให้หมดเรื่องไปก่อนเพราะฉันไม่ต้องการพูดอะไรอีกต่อหน้าคนอื่นๆผิดนะกักแกกับฉันก็มาปกระเทือกบนตรงนี้แหละ ไม่ต้องให้คนอื่นรู้เห็นด้วยกล่าวจบระพินวางไรเฟิลในมือลงถลกแขนเสื้อขึ้นเดินปรีเข้ามาใกล้แง่สายเพนรวดข้ามก้อนหินไปยืนยิ้มแห่งๆอยู่อีกฝั่งหนึ่งอย่างนกรู้ปู้กองผมคิดว่าในายใหญ่หรือนายหญิงนะ่ะคงไม่อยากให้ผู้กองทำอะไรแง่สายแน่ๆละ่ะนี่แกไม่ต้องเอาเจานายมาขู่ฉันแง่สาย ระพินชีนะ้าเล่าไปเดี๋ยวนี้นะเล่าไปละเอียดตั้งแต่แกพานายใหญ่ออกจากที่พักตอนใกล้ค่ำเมื่อวานจนกระทั่งมาถึงที่นี่จกโหกหอะไรก็วางแผนไวด้ดีๆม่เดี๋ยวฉันจะถามนายใหญ่อีกทีนะึงถ้าความไม่ตรงกันละ่ะน่าดูผมก็พานายใหญ่ย้อนทางที่เดินมาแต่แรกตั้งใจว่าจะกลับไปคลำหาร่องรอยของผู้กอง ตรงที่เราแยกกันเมื่อบ่ายวานไงเจ้าคนกระล่อนเงียบตอบบอกมาโดยไม่ยอมเข้ามาใกล้นอกจากจะคุมเชิงพลรัฐสมีมือเท้าของระพินอยู่ฝั่งหินตรงข้ามเท่านั้นก็เสียเวลาเปล่าไปครึ่งคืนแล้วครับก็เลยเพิ่งจะคิดขึ้นมาได้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะย้อนไปตั้งต้นที่นั่นจุดหมายปลายทางของผู้กองก็คือป่าหินอันเป็นช่องประตูผา ผมเชื่อว่าจะยังไงซะผู้กองก็จะต้องไปถึงที่นั่นจนได้หรือถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็คงเกิดขึ้นในเส้นทางระหว่างนั้นผมก็เลยพาในายใหญ่มุ่งเข้าหาเป้าหมายป่าหินในแผนที่ลายแทงเรามาถึงบริเวณนั้นเมื่อประมาณสี่นาฬิกาของวันใหม่ครับนี่แงใสความจริงในป่าหินที่ช่องประตูผานั่นมันก็อยู่ห่างจากบริเวณที่นายใหญ่สั่งให้วางแคมป์เมื่อตอน ใกล้ๆแค่นั้นไม่ใช่เหรอระพินขัดขึ้นโดยเร็วจ้องตาขะเมงครับใช่ความจริงนะมันอยู่ใกล้กับที่พักของเราแค่นั้นเองแต่ผมบอกแล้วไงครับว่าครั้งแรกนะผมเสียเวลาเดินย้อนทางแต่ก็อ้อมวกกลับขึ้นมาอีกครั้งเอาละเอาละแล้วยังไงต่อแล้วเราก็พบรอยเท้าของผู้กองบนเนินลูกใหญ่ที่ขวางปากทางป่าหินเป็นรอยใหม่ๆ แล้วก็เห็นรอยของผู้กองล้มกลิ้งจากเนินสูงชันลูกนั้นลงไปนอนอยู่ในแอ่งดินข้างล่างลักษณะเหมือนเกิดอุปตวัยเหตุกระทันหันอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งพรานใหญ่พยักหน้าใช่ฉันก็รู้ว่าแกกนายใหญ่น่พบร่องรอยของฉันตรงนั้นแล้วยังไงต่อไปล่ะผู้กองคงจะนอนหมดสติอยู่ในแอ่งดินนั่นอยู่นานละก่อนที่จะรู้สึกตัวไต่ขึ้นมา ในายใหญ่ถามความเห็นผมว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรผมเองในขณะนั้นก็ยังเดาไม่ถูกแหละครับบอกได้อย่างเดียวแต่เพียงว่าผู้กองคงไม่เป็นอันตรายอะไรมากนะักเพราะรู้สึกตัวเคลื่อนที่ต่อไปได้ในายใหญ่ทายว่าผู้กองอาจเป็นลมขณะที่ไตเนินลูกนั้นทําให้กลิ้งลงมานอนหมดสติไปพักหนึ่งแล้วออกสาวรอยผู้กองต่อไปพอฟ้าเริ่มสางก็เข้าถึงป่าหินเป้าหมายในลายแทงแผนที่ รอยของผู้กองไปที่นั่นผมก็บอกให้นายใหญ่ทราบว่าเราพบช่องประตูผาที่หมายสําคัญแล้วแล้วผู้กองก็พบแล้วก่อนหน้าเราด้วยจอมพรานพยายามฟังและจับสังเกตไตรตรองไปทุกประโยคที่แงาซายพูดเพื่อจะค้นพิรุธรับลมที่แฝงอยู่อ่ะต่อไปสิพอพบช่องประตูผาพบรอยของฉันมุ่งเข้าไปที่นั่นแล้วยังไงต่อ สังเกตเห็นได้ตลอดเวลาว่าดวงตาคู่นั้นยิ้มแม่น่าจะวางเฉยขณะที่บอกต่อไปว่านายใหญ่ก็ตื่นเต้นยินดีมากสิครับที่พบช่องประตูผาะรวมทั้งพบรอยของผู้กองเข้ามาที่นั่นด้วยแต่นายใหญ่ก็ยังเป็นห่วงกังวลที่ยังไม่พบตัวผู้กองพบแค่รอยเท้าเท่านั้นแต่ผมบอกกับ น, นายใหญ่ว่าบาหินช่องประตูผาที่เราค้นพบนอยู่ไม่ห่างจากที่พักของพวกเราส่วนใหญ่ เท่าใดนักระยะเดินทางครู่เดียวก็ถึงร่องรอยของผู้กองก็แสดงว่าได้รับอันตรายไม่มากนักป่านี้คงจะมุ่งกลับไปหาพวกเราทั้งหมดอย่างที่พักแล้วแล้วผมก็บอกนายใหญ่อีกว่าถ้าออกจากช่องประตูผาบายหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเส้นตรงใช้เวลาเดินไม่เกินห้าหกชั่วโมงก็จะถึงหลุ ม, มุกาบาด ท, ที่เราต้องการนายใหญ่ตรัสรองสอบถามผมอยู่อีกครู่หนึ่งปัญหาที่ถามก็คือ ผู้กองจะเดินไปพบที่พักของเราแน่เหรอผมเองก็ออกจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันในการให้คำรับรองกับนายใหญ่ไปอย่างมั่นคงว่าจะยังไงซะผู้กองก็จะต้องค้นพบที่พักของเราได้แน่ในเวลาอันไม่นานนะักเพราะระยะทางก็ห่างกันแค่นั้นเองในายใหญ่จึงตัดสินใจว่าเราควรจะเดินล่วงหน้าไปรออยู่ที่หลุมุกาบาดก่อนได้เลยโดยการทาสัญญาณ น, นัดแนะไว้ให้รู้เพราะเชื่อว่าจะยังไงซะ ผู้กองเมื่อกลับไปถึงที่พักของพวกเราทุกคนแล้วถ้าไม่พบนายใหญ่กับผมก็จะต้องย้อนกลับมายังที่หมายช่องประตูผาอีกซึ่งก็จะเห็นสัญญาณที่เราทำทิ้งไว้นายใหญ่จึงสั่งให้ผมขีดเป็นลูกศรบอกทิศทางไว้ซึ่งผู้กองก็เห็นและตามมานี่ไม่ใช่เหรอครับไอที่พูดมาทั้งหมดนี่นะแน่ใจนะว่าลำดับเรื่องไว้ดีแล้วเป็นความสัตย์ครับผู้กอง นายใหญ่จะเป็นพย า, ยานจะเป็นพย า, ยานยืนยันได้ครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่านี่แงซสายฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่านายใหญ่จะตัดสินใจด้วยตัวเองเรือเดินล่วงหน้ามาก่อนถ้าไม่ใช่เพราะแกหวานล้อมพูดโกหกอะไรให้หนายใหญ่ตามใจเนะ่ะผมพูดโกหกเหรอในการบอกให้หนายใหญ่ทราบว่าจะยังไงซะคนอย่างผู้กองก็จะต้องกลับไปถึงที่พักแน่นอน ไม่มีอะไรน่าจะต้องเป็นห่วงเออแล้วแะพูดหรือเปล่าล่ะว่าการที่แกกับนายใหญ่จะต้องจะย้อนกลับไปที่พักอกีกก็จะเสียเวลาเปล่าคนเดินล่วงหน้าไปคอยอยู่ที่หลุมกาบาดเลยเพราะจะยังไงซะฉันกับพวกเราทุกคนก็จะต้องตามมาอยู่แล้ว <c oughs> ก็มีการพูดจาหาเรือกันเช่นนั้นเหมือนกันเลยครับผู้กองแต่ผู้พูดคือนายใหญ่นะครับไม่ใช่ผมผมยังทวงนายใหญ่เลย ว่าที่ถูกนะควรจะย้อนกลับไปยังที่พักให้พบกันพร้อมหน้าซะก่อนนายใหญ่ก็บอกว่าไม่จําเป็นจะเสียเวลาโดยใช่ที่ไหนไหนก็เดินมาทั้งคืนแล้วกัดฟันเดินอีกครึ่งวันให้พวกเราส่วนใหญ่เดินตามกันมาเองผมยังบอกนายใหญ่ด้วยนะครับว่าทุกคนจะเข้าใจผมผิดแต่นายใหญ่ก็รับรองกับผมว่าจะบอกให้ทุกคนรู้เรื่องเองนายใหญ่เป็นคนกล้าหาญครับแล้วก็เชื่อมั่นไว้วางใจในตัวผู้กองกับผมอย่างเต็มที่ ความเชื่อในข้อแรกคือเชื่อว่าผู้กองจะต้องกลับไปถึงที่พักของพวกเราได้และจะต้องติดตามมาในเวลาใกล้เคียงกันส่วนเชื่อมั่นข้อที่สองก็คือผมซึ่งจะมีหน้าที่นำล่วงหน้าไปก่อนนั้นจะนำไม่ผิดจึงเป็นอันว่านายใหญ่รู้จักทั้งผู้กองและผมอย่างดีที่สุดและด้วยความรักเชื่อมั่นอันบริสุทธิ์ใจแต่ระหว่างผู้กองกับผมสิครับเราไม่ค่อยจะรู้จักกันเลยนะครับ ทั้งทงที่เราก็คิดว่าเรารู้จักกันรพรินอึ้งไปเป็นครุบบางทีแงสายน่าจะพูดประโยคหลังได้ถูกแนละ้วครั้งแรกเขาคิดตำหนิเชิฐถาว่าออกจะประมาทเกินไปหน่อยในการที่ให้แง่สายนำล่วงหน้ามาโดยไม่ย้อนกลับไปบอกให้พักพวกรู้ซะก่อนแต่ความจริงแล้วทั้งหลายแหล่น่ะมันมาจากความรักและความเชื่อมั่นไว้วางใจที่ท่านหัวหน้าคณะ มีให้ตอกเขาและแง่ทายอย่างเต็มที่นั่นเองเชษฐารู้จักทั้งเขาและแง่ายอย่างดีที่สุดว่าคนใดคนหนึ่งจะไม่มีการพลาดอย่างเด็ดขาดประกอบกับความกล้าหาญของท่านหัวหน้าคณะเองซึ่งมีอยู่เป็นทุนแล้วจึงทำให้ตัดสินใจออกมาในรูปนี้ส่วนตัวเขาเองนั้นมันปรากฏออกมาแล้วว่าวิตกกังวลเกินไปเท่าเท่ากับที่หวาดระแวงแง่รายเกินไปด้วย ท่านสุภาพบุรุษในราชสกุลไม่ได้กลัวว่าแงรายจะหักหลังหรือทอรยศเลยเขาตั้งหากสิที่กลัวอืมบางทีฉันอาจจะเป็นคนที่เข้าใจผิดไปทั้งหมดก็ได้ดิแงายไึทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับตลบปัดสิ้นดีพ่านใหญ่ครางออกมาอย่างสารภาพเริ่มจะยินสงบลงนี่แกคงไม่รู้หรอกว่าฉันดีใจสักเพียงไหน ที่แกยังซื่อสัตย์สุจริตต่อเราอยู่เพราะเพียงแต่สะดุ้งคิดว่าแกจะหักหลังเท่านั้นฉันก็เสียใจจนบอกไม่ถูกไม่อยากให้มันเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเลยเราเคยตายด้วยกันหลายครั้งเกิดใหม่ด้วยกันก็หลายครั้งในชีวิตที่ร่วมมาด้วยกันนี่ถ้าหากมีอะไรมาทำให้ฉันกับแกจะต้องฆ่ากันแล้วก็มันคงเป็นเรื่องที่สลดใจมากและฉันก็คงไม่มีความสุขไปจนตลอดชีวิต แม้ว่าแกจะเป็นแม้ว่าฉันจะเป็นฝ่ายมีชัยก็ตามเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาฉันไม่คิดว่าฉันคิดว่าไม่แกกับฉันก็คงจะดับไปข้างหนึ่งแล้วแงใส ย, ยิงฝันยิ้มอีกครั้งถามว่านี่ผู้กองผู้กองยา่ผมฟ้องนายหญิงไหมล่ะครับเับงมือยกยกนี่เองผู้กองเดินถือปืนย่องสะกดรอยตามล่าแงใสา เงพินหัวร้อแจ็มสายยกมาได้แกเองก็ระวังตัวให้ดีเถอะแงซายนายหญิงน่ะปั้นไม้ปั้นมือเตรียมจะสัดหน้าแกชาดใหญ่ทีเดียวข้าที่เอาพี่ชายของเธอเดินเสียงล่วงหน้ามาก่อนผู้กองผู้กองต้องช่วยผมนะจะช่วยยังไงก็ยืนหน้าให้ในายหญิงตบแทนแงซายใช่ไงมถ้าตกผู้กองนะ่ะคงไม่ตกแรงเท่าตกแงซายหรอก แล้วก็เป็นการประทับความรู้สึกที่มีคุณะคะ่าเหนือกว่ากันมากนาะผู้กองนาะเจ้าคนร้อยเล่ย้อนกลิบ ด, ด้วยน้ำเสียงเบานุ่มระพินไพยวันยุติเรื่องราวระหว่างเขากับแงซทรายลงก่อนเพียงแค่นั้นพระออกเดินตรงไปที่ร่างของท่านหัวหน้าคณะซึ่งยังนอนสงบนิ่งอยู่ที่เก่าโดยมีแงซทรายตามมาด้วยห่างๆอีกประมาณสีห้าก้าวจะถึงตัวเฉฐาก็ไหวกาย ลืมตาพร้อมกับพงกศีสษะขึ้นดูพอมองเห็นชัดว่าเป็นใครก็ลุกพรวดพลาดขึ้นนั่งโดยเร็วร้องทักลั่นออกมากรัวไปกระเสียงหัวเราะอย่างยินดีะระพินมาถึงแล้วเหรอจอมพรานยิ้มตอบเข้ามาจนถึงตัวและสุดกายลงนั่งลงหน้าอดีตท่านทูตทหารโบกตาเป็นประกายแจ่มใสจับแขนเขาไว้แน่นกล่าวต่อมาโดยเร็วชนิดที่ไม่ต้องถามคาใดขึ้นก่อนว่า ผมกับแง่ทายมาที่นี่ตั้งร่วมสองชั่วโมงแล้วล่ะครับยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าคุณจะเห็นสัญญาณที่เราทำทิ้งไว้หรือเปล่ากะกันว่าถ้าบ่ายสาโมงล่วงไปแล้วพวกคุณยังไม่ถึงก็คงจะต้องเสียเวลาเดินย้อนไปรับล่ะเป็นยังไงนี่มาถึงเมื่อไหร่แล้วพวกเราคนอื่นๆนะ่ะระพินหันไปปลายหางตาดูแง่ทายซึ่งเข้ามาหยุดยืนสงบอยู่เบื้องหลังฝืนหัวเราะกรบเกลื่อนเหตุการณ์จ้ะ และตอบนายจ้างผู้สูงศักดิ์ของเขาว่าผมกับพวกทุกคนเพิ่งจะมาถึงเดี๋ยวนี้เองครับผมให้พวกเราทั้งหมดพักกันชั่วคราวก่อนตรงปากหลุมด้านที่อยู่ใต้เนินสูงลูกนั้น่ะเพราะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณชายกางแง่ทายจะมาถึงที่นี่แล้วหรือยังตัวผมเองก็ออกเดินสำรวจรอบๆปากหลุมกาบาดนี่ก็พอดีสวนทางกางแงทายที่คุณชายใช้ให้ออกไปดักรอก็พอดีเลยครับก็เลยตรงมาหาคุณชายก่อน ตอนนี้พวกเรายังไม่รู้เลยครับว่าคุณชายพักจุดที่นี่เป็นไงครับเรียบร้อยดีนะครับเชิดขาคงหัวเราะอย่างกว้างขวางอยู่เช่นนั้นตบไหล่เขาซ้ำๆกันอยู่หลายครั้งอย่างรักใคร่และยินดีที่ได้พบนี่ผมน่าจะถามคุณมากกว่านะบุกองว่าตัวคุณเองน่ะเรียบร้อยดีหรือเปล่าแต่ก็เชื่อนะว่าคงไม่เป็นไรมากไม่งั้นผมก็ไม่เดินล่วงหน้ามาคอยอยู่ที่นี่ก่อนหรอกมาถึงก็ดีละ เรามีเรื่องจะคุยกันนานมากทีเดียวผมงี่ไปตื่นหนึ่งแล้วละ่ะปากของเชษฐาพูดในขณะที่อาการของเขาก็หันมองรอบๆ อ, อย่างกระสับกระส่ายเล็กน้อยเหมือนจะเป็นห่วงพักพวกคนอื่นๆระพินเข้าใจความหมายดีจึงบอกว่าประเดี๋ยวผมจะให้แงซายไปตามพวกเราทั้งหมดมาที่นี่เพราะรู้สึกว่าชายภูมิที่นี่น่าจะพักดีกว่าให้พวกเราที่มาถึงทีหลังเป็นฝ่ายเข้ามาสมทบที่นี่ดีกว่าย้ายไปครับ ได้กวางตัวหนึ่งแลยย่างรอพวกเราอยู่บนร้านนนท์ไงคิดว่าคงจะหิวกันมาทุกคนล่ะและเราขาดเนื้อสดกันมาหลายมือละผักหญ้าเผือกมันของป่าละเมะแถวๆนี้ก็กินได้หลายชนิดแงซายจัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ะพวกเราคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างล่ะคุณเรียบร้อยดีทุกอย่างครับเพียงแต่ร้อนใจกันเท่านั้นแหละเมื่อทราบว่าคุณชายกาแงซายล่วงหน้ามาก่อนพวกเราก็เดินเร่งกันโดยไม่หยุดพักเลยล่ะครับ นี่แปลว่าคุณเห็นสัญญาณดอกศรที่ผมให้แงซายขีดทิ้งไว้ตรงช่องประตูผาแล้วใช่ไหมเชษฐาถามอย่างร่าเริงไม่ได้มีแววสะดุ้งใจคิดว่าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ระพินไพรวันมีความรู้สึกนึกคิดอันตึงเครียดเช่นไรบ้างพรานใหญ่เอาหลังมือขยี้ปลายจมูกอย่างอึดอัดใจแต่ยังฝืนยิ้มครับก็เพราะเห็นสัญญาณนั่นแหละครับผมถึงทราบว่า คุณชายกังแงซายล่วงหน้ามาก่อนแล้วผมย้อนกลับไปยังที่พักของพวกเราไม่ใกล้รุ่งครับก็ได้ทราบข่าวว่าคุณชายกังแงซายออกตามผมตั้งแต่ค่ายังไม่กลับก็เลยย้อนมาที่ป่าหินตรงช่องประตูผานั่นแหละครับก็เลยได้เห็นสัญญาณที่บอกไว้ก็เลยรีบชวนตามกันมานี่แหละขนาะนั้นเองก่อนที่เชิฐาจะอ้าปากพูดอะไรต่อไปจากสีหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสนั้น เงาของใครคนนึงก็โผล่เร่ร่าออกมาจากละมาะไม้เตี้ยเดินหน้าตื่นรงเข้ามาเชิฐานเหลือไปเห็นก็ร้องอย่างดีใจว่าอ้าวตาคำํำโผล่มานั่นแล้วบุญคำมีหน้าตาปั้นย า, ยากอย่างที่สุดเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างๆแง่ทรายมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วก็ยกมือเกาหัวกรากกากด้วยควา ม, ม ง, งุนงงรพินรีบถลึงตาเป็นเครื่องหมายปรามไวในทันทีก่อนที่แกจะพูดคาใดออกมา ทำไม่เช่ถาต้องสงสัยและความจริงนั้นบุญคำก่อนที่จะโผลวออกมาก็คงจะด่อมซุ่มเข้ามาเห็นเหตุการณ์โดยตลอดแล้วด้วยความประหลาดใจครามครันสิ่งที่แกเห็นก็คือพรานใหญ่หนายใหญ่และแง่ทรายพบกันแล้วอย่างพร้อมหน้าโดยไม่มีเครื่องหมายใดๆจะสอบไปในทางที่แกคิดหวาดระแวงเลยจนนิดเดียวผมกับบุญคาเดินตรวจรอบปากหลบุกาบาดนี่คนละด้านครับ นัดกันไว้ว่าจะอ้อมวกมาพบกันที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วเขาก็หันไปบอกบุญคําด้วยน้ําเสียงเรียบปกติว่าบุญคํานายใหญ่กางแง่ทรายเรียบร้อยดีทุกอย่างแล้วก็มาถึงก่อนหน้าเราตั้งนานแล้วมีหน้ําซ้ํายังได้เนื้อสดเตรียมไว้ให้ซะด้วยสิบุญคำกางแง่ทรายไปตามพวกเราทั้งหมดมาสมทบที่นี่แล้วบอกด้วยนะว่าฉันอยู่ที่นี่กับ น, นายใหญ่แล้วตาพรานเท่าสมุนมือขวาของเขาทําปากขมุบขมิบ เหมือนจะพูดอะไรกับตนเองแล้วหันไปมองหน้าแง่สายอีกครั้งดูเหมือนจะเข้าใจอยู่เหมือนกันว่าเจ้านายต้องการให้สงบปากทําไว้เช่นไรจึงยิ้มแค้นแคนกับแ ง, ง่สายพูดว่ามาแ ง, ง่สายเองไปกัค่ะไปช่วยกันขนของว่ะแง่สายอมยิ้มไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้นพอบุญคําคว้าต้นแขนรั้งก็ออกเดินตามไปโดยดีระยะพ้นตา ห่างจากหูรบพินและเชิฐถาออกมาได้ราวสิบเก้าบุญคำก็กระซิบด้วยเสียงคำรามว่าไงไงสายไปยังไงไมายังไงกันวะนี่ใครใช้เองเสือพานายใหญ่ล่วงหน้ามาก่อนฮะคำถามเดียวกัน้ลุงใจฉันตอบสะกี่ครั้งเจ้านายของลุงได้คำตอบจากฉันไปแล้วแล้วเขาก็เข้าใจฉันดีที่สุดแล้วล่ะเพราะฉะนั้น เอาเป็นว่าทะลยังสงสัยก็ไปถามเอาเองจากเขาดีกว่านะนีะ่ไอ้นี่โยนเยดียวพับุญคำขยับเท้าแต่แล้วก็ชะงักเมื่ออีกฝ่ายนึงจ้องขมิงพร้อมกับแววตาที่ผิดไปจากทุกครั้งเป็นแววตาชนิดที่คนฉลาดอย่างตาเท่ารู้ได้ทันทีว่าถ้าแกขืนเอาอำนาจเข้าคมเหมือนกับที่เคยทากับลูกน้องพรานพื้นเมืองคนอื่นมาแล้วแกอาจจะลำบากนี่ลุง จะวุ่นวายไปนักเลยไปชั้นนทำไมเป็นไรหรอกลุงแต่ลุงอาจล้มลงไปเองลุงควรจะดีใจแล้วนะที่ฉันไม่ได้ทอรอยศ์หรือหักหลังอย่างที่ลุงคิดฉันรักลุงรักผู้กองระพินในายใหญ่และทุกๆคนของพวกเราไม่ว่าใครจะคิดยังไงกับฉันนี่คือความสัตย์จริงใจนะลุงนะถ้าเราไม่ตายจากกันซะก่อนทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่ฉันพูด ระหว่างนี้ถ้ายังไม่ไว้ใจฉันสนิทนะักก็มันระวังฉันไว้พลางๆก่อนก็แล้วกันมือขวาของระพินยิ้มแย่ๆมองหน้าแงสายอยู่นานแล้วพูดเอ่อยๆว่าแงสายถ้าที่เองน่ะแปลกไปกว่าทุกครั้งนะ่ะแง่สายหัวรอเสียงกังวานลึกยักไหลฉันก็ไม่แปลกไปหรอกลุงลุงกับผู้กองต่างหากล่ะที่เห็นฉันแปลกไป แต่ถึงยังไงข้าก็โล่งอกนะดีใจด้วยที่เองไม่ได้เป็นอย่างที่ข้าคิดแต่เองไม่ได้บอกข้าให้หายข้องใจหน่อยเหรอว่าทําไมเองถึงเอาในายใหญ่ล่วงหน้ามาก่อนแบบนี้มันไม่ดีนะลุงขอยเชื่อเถอะว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันลุงเก็บข้อข้องใจของลุงไว้ก่อนดีกว่าเรากําลังจะไปรับพวกเราทุกคนเพื่อพาเข้าไปสมทบกับนายใหญ่อยู่เดี๋ยวนี้ละโดยคําสั่งของผู้กอง เมื่อพบหน้าเจ้านายฝ่ายโน้นเข้าฉันก็คงจะต้องถูกถามซ้ำอีกอะลุงก็คอยฟังคำตอบที่นั่นกันแล้วกันบุญคำนิ่งงันไปไม่กล้าถามอะไรเซาซีอีกทั้งสองเดินไปด้วยกันเงียบๆชั่วขณะหนึ่งเมื่อเหลียวมองก็เห็นแงซ า, ายจับสายตาอยู่ก่อนแล้วยิ้มให้น้อยๆเอ่ยขึ้นแผวเบาว่านี่ถามจริงนะลุงนายหญิงนายทหาร แล้วก็พวกเราทุกคนฝ่ายโน้นน่ะเขาคิดสงสัยฉันเหมือนอย่างที่ลุงกับผู้กองสงสัยบ้างหรือป่าพวกนั้นนะ่ะรู้บ้างไหมว่าผู้กองกับลุงนะ่ะกำลังเข้าใจฉันผิดไม่มีใครคิดอย่างข้ากันนายหรอกอยังไม่มีใครรู้ตัวทั้งสิน้นว่าผู้กองกับข้านะ่ะกำลังต า, ตามดมกลิ่นเองอยู่ความจริงข้ามันก็ขนปากพล่อยอยู่ละเกือบจะบอกทุกคนไปแล้วแต่พรานใหญ่นะ่ะห้ามไว้บอกให้ปิดเป็นความลับ ผู้ ก, กองเป็นคนฉลาดลุงแล้วก็มีฝีมือจริงๆแง่สายพึมพำเหมือนจะพูดกับตนเองฉันจะต้องพึ่งเขาอีกมากเขาคนเดียวเท่านั้นบุญคําดูเหมือนจะไม่ได้ยินและไม่ได้สนใจอะไรอีกทั้งสิ้นทางด้านพรานใหญ่กับท่านหัวหน้าคณะทันทีที่บุญคําและแง่าสายรับตาระพินหันไปทางนายจ้างของเขาทันทีคุณชายครับ เป็นความจริงเหรอครับที่คุณชายสั่งให้แง่ายนำล่วงหน้ามาก่อนนี่ท่านหัวหน้าคณะเลิกคิ้วขึ้นมองเข้าหน้าตื่นตื่นอ้าวนี่แง่ายไม่ได้บอกคุณหรอกเหรอผู้กองมันก็บอกผมอย่างนั้นแหละครับแต่ผมต้องการทราบจากคุณชายให้แน่ใจอีกครั้งแหะครับเฉิทาหัวเราะดังลั่นอ่านความคิดของเขาได้ถูกนี่ผู้กองไม่คงนึกสงสัยละสิว่าแง่ายจะแอบพาผมมาก่อนโดยพลาการ อย่าไปโทษมันในข้อนั้นเลยผู้กองมันเองก็กลัวอยู่เหมือนกันนะว่าจะถูกเข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าการที่ผมล่วงหน้ามาคอยที่นี่ก่อนจะทําให้คุณและคนอื่นๆต้องพลอยเดือดร้อนเป็นห่วงแล้วก็อะผมยอมรับผิดซะเองก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าทางโน้นอาจยุ่งกันขึ้นแต่มานึกดูอีกทีเนี่ยผมก็ไม่ได้มากับใครนี่นอกจากแง่ทรา ย, ซ, ายซึ่งทุกคนก็รู้ฝีมือดีอยู่แล้วตัวผมก็เชื่อว่าจะรักษาตัวเองได้ ทางน้นก็มีคุณเป็นหลักประกันอยู่ทั้งคนก็เลยตัดสินใจล่วงหน้ามาก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาและเป็นการเร่งให้พวกคุณตามมาด้วยถ้าผมย้อนกลับไปพบทุกคนอีกครั้งบางทีวันนี้ทั้งวันเราอาจไม่ได้เดินทางคืบหน้ากันเลยก็ได้เพราะทุกคนก็พรอยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งนั้นแข็งใจเดินอีกครึ่งวันมาพักกันที่นี่เลยดีกว่าผมในใจร้อนอยากจะเข้าไปถึงที่หมายหลมุกาบาดนี่เสยเดยเร็วน้อยช ย, ยันแล้วก็เม เห็นจะบ่นผมกันใหญ่และสินะนี่นี่ผมอุดซาล่วงหน้ามาเตรียมอาหารเตรียมที่พักไว้ให้ก่อนยังไงล่ะคุณจอมพ่านยิ้มอ่อนโยนท่านสุภาพบุรุษในราชสกุลหัวหน้าคณะเป็นบุคคลที่เขาเป็นบุคคลที่น่ารักเช่นนี้เสมอหางเสียงที่พูดไม่ได้สอเห็นเลยว่าจะหวาดระแวงยังไงต่องแง่ายมีแต่ความเชื่อมั่นไว้วางใจเต็มที่เขาเองต่างหากละที่อดคิดระแวงไม่ได้ ไม่ต้องการที่จะให้เชิดถาทราบถึงความรู้สึกในข้อนี้ของตนเองแล้วก็โชคดีไปอย่างหนึ่งที่มีอะไรเขาก็พูดซักถามเข้นเอาความจากแงซายตัวต่อ ต, ต, ตัวให้รู้เรื่องไปซะก่อนไม่ได้พูดกันต่อหน้าเชาิฐามิฉะนั้นเขาจะกลายเป็นคนเสียหลักในสายตาของท่านหัวหน้าคณะทีเดียวไม่มากก็น้อยก็ขอให้ทราบว่าถ้าเป็นการตัดสินใจของคุณชายเองผมก็ลงอกไปแล้วครับ นึกว่าเงยสายทำอะไรไม่รู้จักกาลเทศะไปซะอีกหนี่ผู้กองครั้งแรกมันก็ไม่ยอมพาผมมาซะโดยซ้ํานะจะร่างเอาผมกลับไปที่พักเพื่อพบพวกเราก่อนให้ได้แต่ผมสิที่มีความเห็นอย่างที่บอกไปแล้วคือพอรู้แน่ว่าคุณไม่ได้รับอันตรายอะไรและจะต้องกลับไปพบพวกเราทั้งหมดตรงแคมป์นั่นได้ผมก็เลยชวนมันให้เดินต่อเพราะรู้ระยะทางอยู่แล้วว่าจะต้องใช้เวลาเดินนานเท่าไหร่ เราจะใช้เวลาเดินกันเพียงแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นไม่รู้แงสายมันลัดทางมาได้ยังไงทงั้งทั้งที่ตัวมันเองก็บอกว่าในลายแทงกำหนดไว้ว่าเดินประมาณหกชั่วโมงไอ้เสือนี่มันแน่จริงๆไว้ใจได้ทุกกรณีน่าจะเรียกได้ว่ารับพินไพรวันคนที่สองก็ได้ละมีมันกับคุณเพียงสองคนแค่นี้ผมอุ่นใจที่สุดแล้วถึงไหนถึงกันแต่มันก็บ่นมาตลอดทางเหมือนกันน่ะมันตัวคุณดา่าไง เชิดากราวอย่างชื่นชมบัตรนี้มันเข้าถึงประเด็นสําคัญแล้วประเด็นที่เขาควรจะต้องได้ความจริงบางอย่างจากเชิฐาเพื่อสอบดูกับสิ่งที่แง่ายบอกไว้คุณชายครับคุณชายไปพบรอยตรงที่ผมล้มกลิ้งลงมาจากเนินก่อนจะเข้าถึงป่าหินและไปนอนอยู่ในแอ่งดินใต้เนินลูกนั้นไม่ใช่เหรอครับอืใช่เราเห็นรอยคุณทุกระยะทีเดียวละ่ะเพราะคุณพูดคือ น, นี่ ผมก็เลยนึกได้มันเกิดอะไรกับคุณอะแล้วคุณชายคิดว่าเกิดอะไรกับผมแล้วครับในขณะที่เข้าไปตรวจดูร่องรอยนะเขาถามอย่างระมัดระวังสังเกตจับดูท่าทีความรู้สึกของนายจ้างทุกระยะไอท้ทีแรกนะผมก็ตกใจเหมือนกันแหละผู้กองแต่ก็เบาใจขึ้นนะเมื่อเห็นรอยคุณปีนขึ้นอีกทางหนึ่งแลวออกเดินต่อไปได้เป็นปกติจนกระทั่งไปถึงช่องประตูผานะ่ะ เงาซายก็บอกผมว่าคุณลื่นเพราะทางมันชันแล้วญ้าเปียกน้ําค้างก็เลยกลิ้งลงไปที่แอ่งนั้นแต่ก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณชายเงาซายบอกว่าผมลื่นกลิ้งลงไปอย่างนั้นแหะครับอืมใช่แล้วมันบอกคุณชายหรือเปล่าครับว่าผมลงไปนอนอยู่ในนั้นนานๆสักเท่าไหร่เฉษาเริ่มมีอาการแปลกใจขึ้นจ้องตาเขาเอ๊ะทําไมเหรอผู้กองมีอะไร จอมฟันจอมพรานฝืนหัวเราะบอกกับตัวเองว่าอย่างน้อยที่สุดแม้จะจับพิรุษแง้ทรายอะไรไม่ได้แน่นอนในรายการนี้ก็ก็น่าจะเข้าถึงความจริงอะไรบางอย่างอันเป็นข้อระแวงไว้เกี่ยวกับเงื่อนงําที่ไอ้คนลึกลับอำพรางไว้คุณชายโปรดตอบคําถามผมก่อนนะครับเออมันก็ไม่ได้บอกผมนะว่าคุณลงไปนอนอยู่ในแอ่งนั้นนานสักเท่าไหร่ แต่มันเชื่อผมดูรอยที่คุณปีนขึ้นแล้วพาผมเดินตามรอยคุณไปเรื่อยๆผมก็อุ่นใจนะที่เห็นคุณไปด้วยอาการปกติจนกระทั่งเข้าถึงที่หมายมันเป็นคนบอกผมว่าขณะที่เราตามคุณไปจนถึงช่องประตูผานะ่ะป่านนี้นะ่ะคุณคงกลับไปยังที่พักของเราแล้วเพราะห่างกันไม่มากนะักผมก็เลยมีความคิดว่าถ้างั้นผมก็ควรจะล่วงหน้าไปก่อนได้เลยเพื่อประหยัดเวลา คุณชาพบรอยเท้าผมเดินขึ้นเนินก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะไปพบรอยถลายลื่นแล้วกลิ้งลงมานะใช่เราพบรอยเท้าของคุณในบริเวณริมเนินอีกด้านหนึ่งจึงตามขึ้นไปทุกฝีก้าวของคุณดีเดียร์ละมันลําบากอยู่เหมือนกันเพราะบางรอยก็ชัดเจนบางรอยก็จางหายจับไม่ได้ลําพังผมคนเดียวก็คงหลงรอยแย่ไปแล้วละ่ะแต่เงซายนะ่ะมันแม่นยํา ม, มากพอพบครั้งแรก มันก็สาวรอยพบไปได้เรื่อยๆนั่นแหละจะงงคลัมอยู่ก็ช่วยไม่นานนักหรอกคุณชายลองทบทวนความจำให้ดีสิครับนับตั้งแต่พบรอยเท้าผมเป็นครั้งแรกแง่ท า, ายนำทางคุณชายแกะรอยผมไปในลักษณะยังไงหรือมันพูดอะไรกับคุณชายบ้างเอ๊ะหมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจนักนะที่คุณถามมาเนี่ยระพินผ่อนลมหายใจอย่างอึอดอัด คือผมหมายถึงท่าทีระวังตัวนะครับคุณชายแง่ทายแสดงถึงความกลิ่งเกรงหรือระวังอะไรบ้างหรือเปล่าขณะที่คืบหน้าตามรอยผมไปหรือว่าเคขาเตือนให้คุณชายระวังอะไรบ้างไหมเอ้ผมก็ไม่แน่ใจนะตามปกติแง่ทายหรือผมก็ระวังกันแจอยู่ตลอดเวลาในการเดินกลางคืนตามหาคุณแบบนั้นแต่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิดขาทําท่าเหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้ ไม่อยู่ครั้งหนึ่งนะก่อนจะเข้าถึงเนินลูกนั้นน่ะผมเห็นแงซายเอาแผนที่ออกมาตรวจดูกับไฟฉายแล้วส่องดูภูมิประเทศอยู่นานเหมือนจะลังเลอะไรสักอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่ามันจะพาผมอ้อมหลีกขึ้นเหนือทางลมนะจำได้ว่าผมถามามันว่ามีอะไรเหรอถึงได้เปลี่ยนเส้นทางมันก็บอกผมว่าเราไม่ควรเดินใต้ลมซึ่งในเวลามืดมืดเช่นนั้นเราอาจจะประจันหน้ากับสัตว์ร้ายโดยหลีกไม่ทัน เพราะสัตว์ไม่ทันได้กลิ่นเราจะทำให้พบกันอย่างกระทันหันจวนตัวรพินไพรวันเม้มริมฝีปากแน่เหินจะชัดใช่แล้วในสิ่งที่เขาสงสัยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงเขตป่าหินแงาสายก็นำคุณชายเดินไปทางด้านเหนือลมตลอดเวลาใช่ไหมครับอืมก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะนะผู้ ก, กองแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรนักนะ มีหน้าที่ตามมันไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ฝากไว้กับมันนั่นแหละเอาละครับทีนี้ผมจะเรียนให้คุณชายทราบนะครับบางทีคุณชายอาจจะตกใจและหมดความคิดที่จะเดินล่วงหน้ามาก่อนในทันทีนะครับถ้าหากว่าคุณชายรู้ความจริงว่าผมกลิ้งลงจากเนินลูกนั้นมานอนสลบยู่ในแองเป็นเวลาถึงครึงคร่งคืนนอนสลบเป็นเวลาครึงคร่งคืนอยู่เหรอรพิน เทถาร้องลั่นเต็มไปได้วยความตกใจและประหลาดใจขีดสุดจ้องเขาตะลึงค้างไปครับเป็นความจริงครับอันเนื่องมาจากเหตุนี้แหละที่ผมหายไปจนผิดเวลาถึงกับคุณชายต้องออกตาม น, ะนอนสลบยู่ตรงแอ่งดินที่ผมไปพบน่ะเหรอครับตรงนั้นแหละครับท่านหัวหน้าคณะงงเต็มที่ตายละนี่ผมไม่รู้เลยนะ พรานใหญ่หัวเราะในลําคอคุณชายจะทราบได้ยังไงล่ะครับถ้าแง่ทรายมันไม่บอกตัวมันเองไงเห็นรอยผมมันก็รู้ดีที่สุดว่าผมนอนสลบยู่ตรงนั้นนานทักเท่าไหร่แต่มันไม่บอกคุณชายมันบอกแต่เพียงว่าผมลื่นลงไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปแล้วนี่ผู้กองอธิบายชัดกว่านี้สิผมงงไปหมดแล้ยนะ่ะคุณว่าแง่ทรายรู้แล้วทําไมมันถึงไม่บอกผม่ะ มันก็มีเหตุผลอยู่หลายข้อแล้วครับคุณชายที่ทำไมแงซายมันถึงไม่บอกคุณชายว่าผมไปนอนแง้งแมงอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานเพราะถ้าบอกไปแล้วคำถามก็จะมีต่อไปว่ามันเนื่องมาจากอะไรเมื่อมันไม่อยากจะตอบคำถามคุณชายในข้อที่ว่ามันเนื่องมาจากอะไรก็ทำให้มันตัด บ, บทไม่บอกซะเลยเพราะถ้ามันบอกไปแล้วคาถามอื่นๆที่มันไม่ต้องการตอบก็จะตามมาอีกนั่นประการอีกประการหนึง่ง มันต้องการตัดกังวลคุณชายออกไปเสีด้วยแล้วก็หาทางให้คุณชายมีความคิดที่จะเดินล่วงหน้ามาที่นี่ก่อนโดยเป็นคําสั่งของคุณชายเองเพื่อว่าพวกเราจะได้เอาผิดกับมันไม่ได้คุณชายยอมรับไหมล่ะครับว่าเพราะเข้าใจว่าผมไม่ได้รับอันตรายอะไรทั้งสิน้นและจะต้องเดินกลับไปที่พักของพวกเราซึ่งอยู่ไม่ห่างออกไปเท่าไหร่นักทําให้คุณชายไม่มีกังวลและคิดที่จะเดินทางต่อไปเมื่อมองเห็นช่องทางสะดวกอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณชายรู้ซะอย่างเดียวว่าผมโดนอะไรเข้ากลิ้งลงมานอนสรุปอยู่ในแอ่งดินนั่นตั้งครึ่งคืนแบบนี้คุณชายก็คงไม่กล้าล่วงหน้ามาก่อนเป็นแน่นอกจากจะตามผมให้พบซะก่อนเพื่อดูว่าผมเป็นยังไงบ้างใช่ผมจะกล้าล่วงหน้ามาก่อนได้ยังไงเล่าถ้ารู้ว่าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นแบบนี้กับคุณนะ่ะเมื่อแต่คุณยังไม่ได้บอกผมเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณชายครับ มีดวงว่านพิษอยู่ไม่ห่างจากป่าหินช่องประตูผาออกไปมากนักออกดอกสะพรั่งหมดทั้งดงผมไม่เคยรู้มาก่อนในทางพฤกษศาสตร์ว่าจะมีดอกว่านบางชนิดมีเกสรกลิ่นเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์อย่างร้ายกาจถึงเพียงนั้นอาจถึงตายได้แบบเดือกระโรมด้วยแก๊สพิษทีเดียวถ้าโดนเข้าอย่างจังตอนที่ผมไต่เนินขึ้นไปผมเข้าทางด้านใต้ลมเดินสวนกับกลิ่นของมันเข้าพอดีก็เลยหมดสติ ล้มลงไปนอนสลบอยู่ในแอ่งดินข้างล่างเข้าใจว่าคงไม่จังนักและตำแหน่งที่ผมล้มกลิ้งลงไปนอนสลบอยู่ก็คงออกนอกทางลมที่พัดเอากลิ่นของมันมาก็เลยรอดตัวฟื้นขึ้นมาได้ตอนเที่ยงคืนภายหลังเมื่อฟื้นจากสลบและพยายามเข้าไปสำรวจดูสาเหตุที่มาของมันจึงพบครับผมมารู้เดี๋ยวนี้เองว่ามนุษย์หรือสัตว์ใดก็ตามที่จะเข้าไปถึงป่าหินนั่นได้ จะต้องเลือกดูทางลมให้ถูกถ้าผิดจังหวะเข้าทางใต้ลมเมื่อไหร่เป็นเสร็จเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงได้เรียนถามคุณชายเมื่อครู่นี้ไงครับว่าไงทรายนําคุณชายเข้าไปถึงป่าหินนั่นโดวยวิธีใดมันระวังทางลมหรือเปล่าถ้ามันระวังและหาทางเดินขึ้นเหนือลมก็น่าจะแปลได้ว่ามันรู้ถึงอันตรายล่วงหน้าถึงอันตรายนี้ล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนผมสิไม่รู้ ก็เลยโดนครับเต็มเต็มท่านหัวหน้าคณะเบิกตานิ่งอยู่นานจากคำพูดของรบผินคนฉลาดอย่างเชษฐาเริ่มจะมองเห็นอะไรขึ้นรำไรเอแปลกที่เงาสายไม่ยอมบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจนนิดเดียวคุณแน่ใจว่าเงาสายรู้เรื่องกลิ่นดอกว่านพิษที่มีอยู่ในป่าหินนั่นเหรอเหตุผลมันยืนยันชัดเหลือเกินครับคุณชายอาจจะว่าฟลุ๊ก ไม่ได้เป็นไอเจ้าว่าฟลุกน่ะไม่ได้เป็นอันขาดที่แงซายนําคุณชายผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยเพราะลมเปลี่ยนทางอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เหยียบถึงเนินลูกนั้นคุณชายโปรดทราบไว้เดี๋ยวนี้เถอะครับว่านั่นน่ะคือแดนมรณะแล้วเว้นแต่คุณชายไม่ทันรู้ตัวในขณะนั้นเท่านั้นแงซายมันเอาตัวคุณชายหนีรอดไปได้ระพินคุณเองยังไม่รู้แล้วคุณว่าแงซายรู้มันจะรู้มาได้ยังไง คุณชายลืมลายแทงฉบับนั้นใช้แล้วเหรอครับแล้วลืมใช้แล้วเหรอครับว่าแง่ทายอ่านภาษาพม่าโบราณจากต้นฉบับเดิมได้ส่วนผมสิครับอ่านไม่ออกได้แต่อ่านจากต้นฉบับที่ไหว้วานให้ล่ามแปลไว้ให้ในลายแทงตัวจริงมันอาจจะระบุบอกไว้อย่างชัดเจนถึงดงว่านพิษหนีในขณะที่ฉบับคำแปลไม่ได้บอกก็เป็นอันว่าแง่ายรู้ส่วนผมไม่รู้ครับ อดีตท่านทูตทหารบกเพิ่งจะคิดขึ้นมาได้ทันทีนั้นครางออกมาอืมจริงด้วยจริงด้วยสิต้นฉบับปลายแทงนะคุณมอบไว้ให้แงซร า, ายก่อนที่จะแยกทางไปเมื่อวานผมก็เห็นมันเปิดดูอยู่บ่อยๆแต่ถ้ามันรู้แล้วทาไมมันถึงไม่บอกคุณทั้งๆ ท, ท, ที่ก็เห็นแล้วว่าคุณแยกทางไปเพื่อจะเข้าไปถึงป่าหินในที่หมายนี้ระพินคลงศีรษะแช่มช้า ถอนใจเฮือกใหญ่ผมก็เดาความคิดมันไม่ถูกเหมือนกันนะครับเจ้าคนเนี้และผมก็ไม่อยากจะถามมันด้วยแล้วก็แล้วก็ให้แล้วกันไปถึงยังไงผมก็ยังโชคดีที่รอดตายมาได้ความจริงผมก็ไม่อยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดไรทั้งสิ้นนะครับแต่ไม่อยากให้พวกเราเขาวกว่ามันคุณใจยทราบและเฉยๆซะ ก, ก็แล้วกันครับไม่ได้ระพินผมต้องการ ผมต้องถามมันให้รู้เรื่องไปให้ได้แง่ทรายทำแบบนี้ไม่ถูกนะถ้ามันรู้จริงแล้วไม่บอกเตือนคุณล่วงหน้าก็เหมือนกับมันเจตนาจะฆ่าคุณนั่นแหละแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เงาทรายจะมีเจตนาไรา้ถึงขนาดนั้นคุณชายครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่ามันจะปล่อยผมไม่ถึงที่ตายแต่มันอาจจะดูปัญญาผมก็ได้ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าซึ่งผมก็รอดได้จริงเหมือนกัน เรื่องนี้ถึงยังไงเราก็ไม่มีข้อพิสูจน์ได้หรอกครับตราบใดก็ตามที่พวกเราทั้งหมดนี่ไม่มีใครอ่านภาษาพม่าโบราณในลายแทงต้นฉบับนั้นออกถ้ามันบอกว่าไม่รู้หรือบอกว่าลายแทงไม่ได้ระบุเราก็จะไปพิสูจน์มันได้ยังไงนี่พวกเรารู้เรื่องหรือ ย, ยังว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมบอกความจริงให้ทราบหมดแล้วล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผมโดนอะไรเข้า แล้วก็เรื่องรับลมของแง่ทรายที่ว่ารู้เรื่องว่านพิษนี่ดีมาก่อนแล้วทำไมมันทาไมถึงไม่บอกคุณพวกนั้นรู้บ้างหรื อ, อยังความคิดอันนี้ผมสารภาพว่าแต่เดิมก็นึกไปไม่ถึงเหมือนกันครับเราได้ปรึกษาหารือกันคนที่ความคิดแก่ผมก็คือเมและผมก็มาพิสูจน์ได้จากคำบอกเล่าของคุณชายที่บอกว่าก่อนจะเข้าถึงป่าหินแง่ทรายระวังเรื่องทางลม อีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่ามันเจตนาจะปกปิดผมก็คือมันบอกผมว่าคุณชายก็รู้ว่าผมลงไปนอนนิ่งๆอยู่ในแองนั่นเป็นเวลานานยังบอกมันซะอีกว่าผมคงเป็นลมหมดแรงแต่ความจริงคุณชายไม่ได้เฉลียวคิดอะไรมากไปกว่าเข้าใจว่าผมลื่นหกลม้มและลุกขึ้นเดินต่อไปได้ทันทีเอาละขอเป็นหน้าที่ของผมเองในเรื่องนี้อ๋นั่น พวกนั้นมากันแล้วคณะของชัยยันและพวกลูกหาบทั้งหมดภายใต้การนําของแงซายผู ล, ลับพุ่มไม้ออกมาด้วยอาการเดิอนอย่างเร่งรีบทุกคนพอมองเห็นเชษฐากําลังนั่งสนทนาอยู่กับพรานใหญ่อย่างบริเวณอันจัดเตรียมไว้ให้เห็นที่ยังบริเวณที่จัดเตรียมไว้เห็นที่พักน่าสบายเช่นนั้นก็ส่งเสียงทักทายลั่นเข้ามาฟังไม่ได้สักท่านหัวหน้าคณะลุกขึ้นยืนต้อนรับ น้องสาวโผเขากอดพี่ชายไว้อย่างดีใจทั้งดารินและชายันช่วยกันต่อว่าเชษฐถาจนฟังไม่ได้สับเท่าที่ล่วงหน้ามาก่อนโดยไม่บอกให้รู้ลักษณะของบุคคลที่ตามเข้ามาถึงใหม่นี่พอจะทราบอะไรเป็นเร่าๆก่อนบ้างแล้วจากคำบอกเล่าของแง่ทรายเอาละพี่ยอมรับผิดโดยดีแล้วก็อย่าไปโทษแง่ทรายเรื่องนี้เลยเชิถาพูดยิ้มยิ้ม อธิบายทุกคนทราบถึงการตัดสินใจล่วงหน้ามาก่อนของเขาแล้วว่าดีละที่รีบตามกันมาจนพบวันนี้เราจะหยุดที่นี่แหละพักผ่อนกันให้สบายเถอะนะอาหารน้ำท่าที่พักสมบูรณ์ดีมากจัดเตรียมไวรอรับแล้วประเดี๋ยวใครง่วงนอนก็นอนได้เลยหลุงด่าไงาซายแทบแย่นึกว่ามันหลอกพาแกมาไม่ยักกระรู ตัดสินใจบาราหามล่วงหน้ามาก่อนเองชัยันบ่นสหายของเขาเอากระบุงโกยไม่ไหวเฉถาหัวเราะอย่างอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วหันไปทักมาเรียผู้ลงนอนเหยียดยาวอยู่กับพื้นเป็นไงบ้างละ่ะเมดูกำลังคุณลดถอยไปมากนี่แมมสาวลืมตาสีผักตบดูเขาแล้วยิ้มให้เป่าลมออกมาจากปากอย่างเหนื่อยอ่อน ถ้ไม่ห่วงพี่ใหญ่ซะอย่างเดียวเท่านั้นละ่ะพวกเราทุกคนคงนอนกันอยู่ที่เก่านั่นแหละค่ะเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีใครหลับนอนกันได้สักคนมันเป็นคืนที่ฉุกเร่าหกที่สุดอีกคืนหนึง่งติดต่อมาจนกระทั่งเรามองเห็นหน้าพี่ใหญ่นี่แหละแต่น้อยยังอดข้องใจไม่ได้นะคะดารินพูดอย่างเป็นงานเป็นการมองหน้าพี่ชายขมิงเหมือนจะค้นหาความจริงพี่ใหญ่เอาจิตใจที่ไหนทิ้งพวกเราไปหมด เดินล่วงหน้ามาตามลำพังกันแง้ า, ายสองคนได้ลงคอในมิพี่ใหญ่ก็ยังไม่พบกระพินไม่นันซ้ำยังรู้อยู่แล้วว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นกับเขาแบบนี้เชิดาใบหน้าเคร่งลงในทันทีนั้นพระน้องสาวยิงคำถามเข้าตรงประเด็นกับที่เขากำลังหารืออยู่กระพินยกหยกนี่เองหนี่น้อยพี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกระพินเพิ่งจะมารู้เอาก็ตอนที่พบเขาเดี๋ยวนี้แหละ เรื่องนี้เราเห็นจะต้องสอบทางแง่รายแต่พี่คิดว่าเราพักผ่อนกันในสบายซะก่อนไม่ดีหรอดารินใจร้อนเสมอคำพูดของพี่ชายทำให้หลอนหันไปมองหน้าชยันแล้วว่าก็ถ้ามีอะไรจะจะพูดก็ต้องพูดกันให้รู้เรื่องหายข้องใจเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าเลยคะจะต้องรอกันอีกทำไมกล่าวจบหลอนก็หันไปตะโกนเรียกแง่ายซึ่งกาลังยกเนื้อกวางทั้งขาลงมาจากร้านยา ให้เข้ามายืนอยู่กลางกลุ่มของนายจ้างทุกคนอ่ะพี่ใหญ่มีอะไรจะถามแง่ทรายก็ถามสิคะพวกเราอยากฟังอยู่ด้วยเอาละนั่งลงแง่ทรา ย, ายท่านหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นอย่างกรุณาแต่หนักแน่นเฉียบขาดในน้ำเสียงแง่ทรายมีสีหน้าอันสงบราบคาะไม่ส่อความรู้สึกใดๆปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเช่มช้าแล้วนิ่งสงเเหนอยู่ตามบุคลิก เทาที่นายจ้างทุกคนเคยเห็นทุกสายตาของฝ่ายนายจ้างจับมาเป็นเป้าหมายเดียวแม้แต่มา ร, รีซึ่งนอนอยู่ในขณะ น, นี้ก็ดึงกายขึ้นนั่งเอามือประสานกอดเขา่าเพ่ ง, งแงใสยอยู่ทุกอิริยาบถแต่คงรู้นะว่าฉันรักแกมากงแงใส่ก็จะขอถามอย่างลูกผู้ชายนะแกจะตอบฉันอย่างลูกผู้ชายด้วยกันได้ไหม นายใหญ่ครับแง่าสายเคารพนายใหญ่เหมือนพ่อนายใหญ่ถามอะไรแง่าสายจะตอบตามสัตว์จริงครับเสียงลึกนั้นตอบมาอย่างชัดเจนดีมากงั้นบอกมาสิแกรู้เรื่องดอกว่านมีกลิ่นเป็นพิษที่ขึ้นเป็นดงอยู่ใกล้กระป่าหินของช่องประตูผามาก่อนบ้างหรือเปล่าแงซสายนิ่งเงันไปชั่วขณะหนึ่ง